เมื่อทรงรับนิหมดแล้วก็เสด็จผ่านยังบ้านปานทลีคามคามแม่น้ำคงคาตรงนั้นสู่ฝั่งแคว้นวชีเข้าสู่กรุงไภยัยาลีในเรื่องเล่าว่าพอเสด็จเข้าเขตวชีฝนก็ตกใหญ่ทำให้โรคระบาดสงบเมื่อเสด็จเข้าสู่กรุงไภั า, าลีนครหลวงแล้วก็ทรงสอนให้พระอานนท์ท่องจำรัตนสูตรบทว่ายานิทะภูตานิสมากตานิเป็นต้น อานนท์จําได้แล้วก็เอาบาศใส่น้ําปะพรมไปทั่วผูวกอกมนุษย์ก็หนีไปเอจุร้ายต่างๆก็สงบจากเรื่องเล่าในอัถกถานี้จะมีการตั้งน้ำมนต์ในเมื่อมีการสวดพระปริตรในบ้านเรือนเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็มีการรัฐนาพระสังฆาเทระให้ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ทั้งแก่คณะบุคคลในบ้านนั้นและแก่บ้านเรือนเพื่อเป็นสวัสดีมงคล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 ล้างบาปได้ทำให้ผู้อาบลอยบาปไปตามกระแสน้ำหรืออาบแล้วทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์ทุกๆุกปีที่ทาอาบน้ำเมืองพาราณสีจะมีคนไปนอาบน้ำทำพิธีทางศาสนาในแม่น้าคงคาตอนนั้นนับจำนวนล้านล้านคนมีเรื่องเล่าไว้ในวันณคดีฝ่ายพระพุทธศาสนาคือในวิสุธทธิมรติศิลนิเทศกล่าวไว้ว่า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 คือพหูกาขยาสุนจชริกาสรัสสติปยาคและพาหุมติจะพบปยาคดูเหมือนจะไม่ใช่ชื่อแม่น้ำเป็นชื่อท่าน้ำหรือเมืองท่าแต่ในหนังสือ Geography of Early Buddhism ของบีจีลรากล่าวไว้ว่าทั้งปยาคและขยาไม่ใช่แม่น้ำเป็นท่าน้ำตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคา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 ผู้ใดมีสัจจะมีธรรมะผู้นั้นเป็นผู้สะอาดเป็นพรามในที่นี้หมายถึงไม่ใช่เป็นพรามเพราะสืบสกุลและคำว่าพรามในที่นี้เป็นการล้อความกับความหมายที่พรามถือกันว่าพรามนั้นคือผู้ลอยบาปผู้พ้นบาปอีกแห่งหนึ่งคือในปุณิกาเถรีพาสิต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 ยังไม่เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาชั้นสูงแจ่มแจ้งพอจะปฏิเสธเสียทีเดียวก็จะทาให้คนเข้าไม่ติดข้อชี้แจงนี้เป็นการช่วยให้ฝ่ายใช่น้ำมน์สบายใจขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นไม่ควรติดอยู่แค่น้ำมน์หรือชั้นก่อไก่ขอไข่เท่านั้นเราควรจะรู้ความจริงกันให้ถีทวนเมื่อเข้าใจตลอดสายแล้ว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 ราะงานนี้เป็นงานใหญ่เป็นการแสดงหลักพระพุทธศาสนาให้น า, นานาประเทศได้รู้เห็นเรื่องที่เคยเป็นขนบธรรมเนียมถ้าจะมีควรจะมีเป็นส่วนเอกชนไม่ใช่ส่วนรวมซึ่งจะจ่ารึกลงในประวัติศาสตร์และชาวพุทธในประเทศอื่นๆ อ, อาจนําไปเขียนวิจารณ์ในฐานะไม่เป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทยได้ทั้งสองฝ่ายมีอาจตกลงกันได้จึงต้องส่งเรื่องให้พระคุณเจ้าสมเด็จพระวรนรัตสังคานายก